มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายหลวงตาบัวรู้สึกว่ายุ่งมากตามปกติไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายวันนี้มีโอกาสเรียกว่าวาฒนาอำนวยเราได้มาพบกันวันหนึ่ ง, ว, นนงวันหนึ่งเวลามีน้อยมากจึกนั้ชื่อว่าหลวงตายุง่งเวลานี้อยู่ในตแหน่งหลวงตายุ่งหลวงตาบัวกันกลงังหลวงตายุ่งหลวงตาลา ก, กําลังยุ่งกันอยู่เนี่ยเข้าใจไม่ใช่เหรอหลวงตายุง่งคือหลวงตาบัวนี่แหละมันยุ่งมากทั้งวันทีเดียวมีน้ำซ้ำกลางคืนยังยุ่งอีกแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ลากเราไปเรียกว่าหลวงตาลาก ลากไปโน้นลากไปนี่หลวงตายุ่งกับหลวงตาลากกาลังอยู่ในตําแหน่งเดียวกันและกําลังยุ่งกันวันนี้จะพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังคําว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากโลกเราหากไม่มีธรรมะแล้วอยู่ไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวธรรมะเป็นเครื่องผิดจิตใจของประชาชนให้ดีศาสนาจึงเป็นโรงผิดจิตใจของชนได้ได้อย่างดีมากไม่มีอันใดที่จะเสมอเหมื้อกับศาสนาเลย คำวราศาสนาคือศาสนาธรรมที่บรรยายออกมาภายนอกนี่เรียกว่าคำสั่งสอนที่ถูกต้องนิงามของพระพุทธเจ้าปกครองแลทงได้ทั้งประเทศชาติบ้านเมืองและตัวของเราเองตลอดครอบครัวบ้านใดที่ไม่มีศีลธรรมก็คือไม่มีศาสนาเรือในใดก็ตามครอบครัวใดก็ตามหรือบุคคลใดก็ตามถ้ามันมีศาสนาธรรมมีศีลธรรมเป็นสิ่งสำคัญในหลักศาสนาธรรมเป็นเครื่องประจําใจด้วยแล้ว บ้านนั้นเดือนนั้นบุคคลนั้นจะมีความเดือดร้อนอยู่เสมอหาความพอดีไม่ได้ส่วนมากเกิดการทะเลาะบบาแวงกันในระหว่างครอบครัวคือสามีภรรยาก็ดีในระหว่างสังคมก็ดีเพื่อนบ้านกันก็ดีตลอดถึงจิหน้าที่การงานต่างๆที่ไม่ลงรอยกันก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องปีนเปียวกับฝีธรรมคือความถูกต้องดีงามเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีภรรยาที่ไม่ค่อยลงรอยกันก็เพราะ ไม่ฝ่ายใดก็ต้องฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ปีนเกลียวกับความพอดีที่ความเหมาะสมตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าสันตุถีปรามังธนังประการหนึ่งประการที่สองเรียกว่าอปิชาตาคือความมากน้อยสันตุถีนั้นหมายถึงความสันโดษยินดีในความมีอยู่ของตนเท่านั้นความมากน้อยนี้หมายถึงอันเดียวไม่มีสองท่านทั้งหลายพเข้าใจไหม อ, อย่าให้มีเสียงอะไรดังก้อกแกลก มันเป็นเคื่องกระตุกระเทือนในการแสดงทํำไม่สะดวกคําว่ามากน้อยคืออย่างไรเราเคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นผู้ใหญ่ด้วยแสดงออกข้างหน้าคือพิมพ์รู้สึกมีความสลดใจเป็นอย่างยิ่งหากว่าไม่เข้าใจศาสนาธรรมแล้วก็ไม่ควรที่จะนําออกแสดงให้ประชาชนได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีงามและไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาธรรมอย่างนั้นในบทคามในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลา น, านานแล้วแต่จำไม่ลืมเพราะเป็นสิ่งที่น่าสลดใจเพราะเป็นความสรุดใจอย่างยิ่งในหนังสือพิมพ์นั้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยแสดงออกว่าสรรตุถีหนึ่งคือความสันโดษยินดีในความมีอยู่ของตนหนึ่งปิชินาความมากน้อยหนึ่งอย่างนี้ไม่ พระสงฆ์ไม่ควรจะนําออกแสดงให้ประชาชนได้ทราบเพราะเป็นการกดทวงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเวลานี้กําลังฟื้นฟูเศรษฐกิจของบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมสองข้อนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับการฟืร้นฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติบ้านเมืองว่าอย่างนั้นความจริงสาธานาธรรมในสองบทนี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นโดยเฉพาะหากเราจะแปลความหมายลึศตามหลักธรรมของพระเจ้าดโดยถูกต้องแล้วอภิชาตาคือความมั่น้อยนี้ท่านหมายถึง 1นึ่งพระผู้ปฏิบัติเป็นศาสตขยะบุตรพุทธคินโรตของพระพุทธเจ้าอย่าเป็นผู้มากๆเพราะเลี้ยงสิ่งเลี้ยงดูปะตูปัจจัยทั้ง4ี่คือกีวอนเรื่องนุ่งห่มใช้ส้อยต่างๆได้มาจากประชาชนตัดทา ท, ท, ท, ที่เขาให้ให้ทั้งนั้น2บินถ้าบาทการขบฉันไม่ว่าจะอาหารประเภทใดพระเบญสุเหล่านั้นไปหาเอาโดยลําพังตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยประชาชนเลี้ยงดูตั้งแต่บันอุบัติเหตเข้ามา จนกระทั่งถึงวันตายของพระผู้ ง, ง่ายๆผูดอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นเรื่องชีวิตจิตใจคืออาหารบินเทาบาตนี่จีวรเสรนาธนะที่อยู่ที่อาศัยของพระตลอดถึงยาแก้ไข้เหล่านี้ด้วนแล้วตั้งแต่มาจากประชาชนสัตท้าพระผู้ที่เป็นศาสยาบุตรพุทธชินรรสของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรแสดงตัวเป็นคนมากๆโลภมากโลภพาผิดกับหลักธรรมของพุทธเจ้าให้เป็นผู้มักน้อยนี่เป็นความถูกต้องดีงามสำหรับพระ เป็นข้อปเป็นข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับพระที่นเกี่ยวกับประชาชนทั่วๆไปหมายที่หมายคําว่าความมากน้อยนี้นั้นหมายถึงความมากน้อยในครอบครัวของตนเท่านั้นผัวหนึ่งให้มีเมียหนึ่งเมียผู้หนึ่งมีผัวคนเดียวผัวคนหนึ่งมีเมียเพียงคนเดียวเท่านี้ชื่อว่าเป็นความมากน้อยที่ถูกต้องตามหลักธรรมไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ในสามีภรรยาที่มีความจงรักภักดีต่อกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันในระหว่างแห่งสามีภรรยานี้ใครจะไปทํางานในบ้านนอกบ้านไปใกล้ไปไกลข้ามวันข้ามคืนค้างที่ไหนก็ไปเถอะไปเที่ยวทํามาค้าขายเพื่อจะยังการคลองที่ให้เป็นไปเรือยความราบรื่นดีงามไม่มีความมิจกวิจารณ์ไม่มีความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยไม่มีความดอดดอดเดือ ด, ด, <c oughs> ด, ดร้อนในภายในจิตในใจว่าสามีหรือภรรยาของตน จะไปประพฤติไม่ดีไม่งามหรือไม่ชอบประการใดประการหนึ่งซึ่งเป็นการผิดกับหลักอภิชิตตาคือความมักน้อยนี้สามีภรรยาคู่นี้จะอยู่ไหนอยู่ได้สบายทั้งนั้นสิ่งภายนอกจะอดบ้างอิ่มบ้างไม่สําคัญสําคัญในความจงรักภักดีต่อกันคือซื่อสัตว์สุจริตต่อกันระหว่างสามีภรรยานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งในครอบครัวครอบครัวนั้นจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองก็ตามทักษขาดาเขินเขนบ้างก็ตามความสุข ความอุ่นใจความเย็นใจความอบอุ่นความฝากเป็นฝากตายย่อมเป็นความนั่นแน่หนามัน่นคงซึ่งเป็นสิ่งทุกคนที่ต้องการด้วยกันทางนั้นนี่เรียกว่าอปิจาตาคือความมากน้อยสําหรับผู้ครองนี่เป็นหลักธรรมคำดังสองพระพุทธเจ้าหากว่าอปิจาตานี้ได้ถูกล้างไปเสียหรือลบล้างไปเสียไม่มีในโลกนี้แล้วโลกนี้ก็ยังมีเขตมีแดนก็ไม่ผิดอะไรกับเราก็เห็นไหมตอนเดือนเก้าเดือนสิบ มันหอนดอูกระทึกกระพริบนั่นน่ะมันตัวไหนเป็นผัวตัวไหนตัวไหนเป็นเมียตัวไหนกัดกันโอ้ยแหลกเหล้ยวไปหมดหน้าเดือ น, 9, น 10, เก้าเดือนสิบล้วก็เห็นไหมมนุษย์เราสร้างให้เป็นแบบนั้นแล้วยิ่งกว่านั้นอีกยังมีปืนผาหน้าไม้เที่ยวยิงโชี่ยฆ่ากันเพราะมนุษย์เรามีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ภาษาภาคีสานเขาอยากไอจีจุ่มหางอเข้าใจบ่ฮ <laughs> เ <c oughs> ดือนเก้าเดือนสิบบันร้องอึกกระทึกกรรินั่นแหะเวลาการมันกำเริบราคะมันกำเริบ มันไม่มีเขตมีแดนไปไหนไปได้หมดไม่ว่าบ้านใดเดือนใดไม่เคยมาเกี่ยวข้งของกับเจ้าของอย่างมากก็วิ่งมาคู่หนึ่งเจ้าของให้กินข้าวทันก็ทันไม่กินข้าวแต่ก็วิ่งไปเลยแล้วเราดูที่สุนัขหน้าเดือนนั้นเป็นยังไงบ้างหูฉีกปากฉีกบางตัวตายบางตัวเป็นบ้าไปเลยก็มีบางตัวไม่กลับบ้านตายข้างหน้านี่ขณะเวลาที่มีความคึกคนองด้วยราคาตันหาสัตว์เท่านั้นเรามองเห็นก็ไม่น่าดูแล้ว ขีดปกติของสัตว์มากมายไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียวิ่งว่อนหากันยุ่งไปหมดไฟราคาโตสะมันพร้อมกันมันเผาไปหมดนี่คือความไม่มีเขตมีแดนของสัตว์เป็นอย่างนี้คือความไม่มีเขตมีแดนของกิเลสราคาตันหาทำสัตว์ทั้งหลายให้มีความลำบากลำบนมีความกวนกระวายมีความทุกข์ความดร้อนถึงขนาด น, นั้นที่นี่ไหนมนุษย์ราไม่มีอภิ ช, ชาตาไม่มีขอบเขต สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ด้วยแล้วมนุษย์เราจะมีความเดือดร้อนบุญวายิ่งกว่าบรรดาสัตว์นั่นอีกมากมายเพราะเหตุใดเพราะมนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดในทางที่ดีก็เป็นความดีเป็นความเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและตัวของเราตลอดครอครัวแต่ความฉลาดของมนุษย์นี้ใช้ไปในได้ทุกแง่ทุกมุมส่วนมากถ้าจิตใจมีความต่ำทรามอยู่แล้วความฉลาดนั้นจะเป็นเครื่องมือของการกระทําความชั่วได้อย่างดี เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์เราจะก่อความเดือดร้อนให้กันได้มากมายกายกองท่าขาดศีลทําเป็นเครื่องปกครองรักษาเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เราที่ว่ามีความฉลาดกษัตวย์จึงต้องมีภูมิศีลภูมิธรรมเป็นขอบเขตเป็นเครื่องปกครองอยู่ด้วยกันเรื่อความร่มเย็นผาสุขในระหว่างสามีภรรยาก็ให้มีความจงรักภักดีต่อกันอย่าหาเสดหาเลยเหมือนอย่างเบือนเก้าเข้าใจไม่ใช่หรืออืม เดินเกาปทัทเจได้หอนเดือกระทึกไม่หอนก็อู่อิบอุบอิบเข้าห้องนั้นห้องนี้เข้าลรงบ้าโรงบ้าถ้าได้ไปแล้วลืมบ้านลืมครอบครัวไปหมดเนี่ยถึงไม่มีหางก็ตามถ้าเป็นลักษณะนั้นแล้วมันก็เหมือน ก, นกันกับธรรมชาติที่มีหางแล้วเข้าใจากันไหมครอบครัวดูบ้านพออยู่อย่างนั้นละพ่อไปไหนล ะ, ะแม่ไปไหนลูกก็บ่นหาเอาสามีมาภรรยาก็บ่นหาว่าไปทางไหน ก็ไปแบบเดืิน9นั่นแหละนี่แหละคือความไม่มีขอบเขตกลับมาแล้วทะเลาะเบาแว้งกันคู่รักกลายเป็นคู่แค้นก็คือความไม่มีศีลธรรมคือความขาดอัปิจชตาคือความมักน้อยนี่แหละ <Thank you. S 1> เพราะฉะนั้นคำว่าอปิชตาความมักน้อยจึงไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมที่จะยึดเหนียวจิตใจของกันและกันให้มีความแน่นหนา ม, มั่นคงให้มีความจงรักภักดีให้มีความอบอุ่นตลอดถึงทรัพย์สมบัติได้มามากน้อยได้มาเพียงใด เราจะจ่ายไปกี่บาทกี่ตางางเป็นประโยชน์จากครอบครัวทุกบาททุกทตารางไม่ได้รั่วไหลไปทางด้วยความแตกซึมต่างๆอันหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากนั้นทรัพย์สมบัตินั้นยังมาทําลายจิตใจท่านจึงให้สอนให้มีการอบรมจิตใจจิตใจเป็นสิ่งสาคัญหลักทรัพย์คือหลักใจถ้าหลักใจไม่มีแล้วหลักทรัพย์หาไม่ได้รั่วทั้งวันทั้งคืนเราเคยเห็นไม่ม่าน้ําถ้าม่าน้ําดีๆใช้ประโยชน์ เต็มคุณภาพของมันเพียงราวเพียงไปแล้วใช้คุณภาพไม่สมบูรณ์และแตกไปด้วยแล้วเป็นอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันผู้ครองนี้เป็นสิ่งสําคัญเป็นหลักทรัพย์หลักบ้านหลักเมืองจริงก็คือความความเป็นผู้ครองอันดีต่อกันนี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายจงพิจิตรพิจารณา น, นาหลักศีลหลักธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติลําพังของกิเลสตัณหาราคะนั้นนะ่ะไม่มีขอบเขตท่านกล่าวไว้แล้ววันนัดทีตัณหาสมานาที แม่น้ํามหาสมุทรทะเลจะกว้างเลือกขนาดไหนก็ตามยังมีฝั่งมีฝายังมีเกาะมีดอนแต่ราค่าตันหานี้ไม่มีขอบมีเขตไม่มีเกาะมีดอนไหลอยู่ทั้งวันทั้งคืนโล้นฝั่งคือภายในหัวใจยับตลอดเวลาก็คือน้ําราค่าตันหาเนี่ยถ้าไม่มีศีลธทำเป็นทรโนบเป็นเครื่องกั้นให้มีความพอดีแล้วโลกนี้จะเดือดร้อนที่สุดถ้าปล่อยให้เจ้าราค่าตันหานี้ออกเป็นผ่านแล้ว ยิ่งน้อกว่าสุนัขหน้าเดินเก้าข้ากาันพินาศิบหายไปหมดก็คือมนุษย์ที่ว่าตัวฉลาดนี่แหล ะ, ะแสดงเป็นความโง่ที่สุดให้สัตว์เขาหัวเราะพราะฉะฉนั้นเพื่อกันไม่ให้สัตว์เขาหัวเราะมนุษย์เราสมภูมิกับความเป็นมนุษย์ที่ยิงในตัวว่าเป็นมนุษย์จึงต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องป้องกัน ร, รักษาให้มีขอบเขตอันดีงามประพฤติปฏิบัติชอบต่อตอนเองและครอบครัวคําว่าศีลธรรมพวกท่านทั้งหลายเข้าใจไหมคือความดีงาม คำถูกต้องด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่าศีลธรรมได้เงินมา5บาทเราจะจ่ายไปสักกี่บาทมีเหตุมีผลรอบด้านทีเดียวนับตั้งแต่1บาทขึ้นไปโดยระดับจนกระทั่งถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านก็าตามถ้าหากว่าผู้มีเหตุผลในการจับจ่ายในการเก็บรักษาแล้วทรัพย์สมบัตินั้นจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของมากมายสมว่าทรัพย์สมบัติมีคุณค่าสนับสนองความต้องการของเจ้าของให้มีความสุข แต่หากว่าเจ้าของมีจิตใจรั่วไหลไปเสียหลักใจไม่มีหลักทรัพย์หาไม่ได้มีทรัพย์ชิบหายผลปีไปหมดถ้าชิบหายไปในทางที่ดีเราไม่เรียกชิบหายไอชิปหายไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์มีน้ําซ้ํายังให้เกิดโทษแก่ผู้จ่าไปอีกเรียกว่าทรัพย์สมบัตินั่นแหละเป็นเครื่องประหัตประหารเราที่เป็นคนโง่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ก็คือคนไม่มีศีลธรรมความมีศีลธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก ครอบครัวหนึ่งหนึ่งถ้ามีศีลทำเป็นเครื่องปกครองรักษาเฉพาะอย่างยิ่งเทียงศีลห้าเท่านั้นก็มีความร่มเย็นข้อหนึ่งหมายความว่ายังไงปานาสัตมีชีวิตไม่ว่าเขาว่าเราคุณค่าชีวิตมีเสมอกัารเนี่ยานะยายหเสียงพูดเนะี่ยสัตว์ตัวหนึ่งมีความมีชีวิตอยู่เสมอ ก, กันกับมนุษย์เรามนุษย์เราเช่นเดียวกับเขาหากว่าขาดชีวิตไปเสียอย่างนี้ สัตว์ก็เป็นสัตว์ไปไม่ได้มนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไปไม่ได้เรียกว่าขาดความถืกตอ่อความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ทําลายชีวิตซึ่งกันและกันอาินาทานเข็มเล่มหนึ่งก็ตามถ้าเอามาด้วยการโฉลักหรือไปล่วงล้ําำองค์เขาด้วยการโฉกกันลักเขาก็ต้องเสียใจถ้าให้ด้วยความเต็มใจไม่ว่าเพียงเข็มเล่มหนึ่งให้เงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเป็นล้านล้านก็พ อ, พอใจเพราะให้ด้วยความพอใจไม่ใช่มากกดขีบขข่บังคับกันเอาไปอย่างนั้นนี่การ โชกการรักจึงเป็นของไม่ดีให้สงวนอธิปไตยถือสมบัติซึ่ง ก, กันและกันท่านให้ความเสมอภาคไม่มีใครที่จะให้ความเสมอภาคแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมคำสอนของพระเจ้าแม้แต่สัตว์ท่านก็ไม่ทําลายไม่ให้เบียดเบียนซึ่ง ก, กันและกันมันเป็นการกระทบกระเทือนจิตใ จ, จและร่างกายตลอดทรัพย์สมบัติของเขาการไปทําจิตใ จ, จให้ของกันและกันให้คาเดิมไม่ใช่เป็นของดีนั่นเป็นสิ่งที่จะรุนแรงมากยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมด การกระทําจิตใจของกันให้คาเลิกสามารถที่จะแสดงตัวออกไปอย่างน่ายแรงเพราะอิตเป็นสําคัญท่านยึงสอนให้ระงับภายในจิตคือไม่แสดงอาการให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจของกันและกันเช่นการฆ่าเขานี่ก็เป็นการกระเทือนจิตใจนอกจากนั้นเขาจังตายอีกยังเป็นการกระทบกระเทือนไปถึงผู้อื่นที่ยังไม่ตายก็เกิดความเครียดแค้นเกิดการถูกอาฆาตซึงกันและกันได้คนนี้ตายไปคนนั้นยังอยู่ และจองล้างจองเวรหรือจองล้างจองฐานกันไปตั้งกับตั้งการหาเวลาสิ้นสุดไม่ได้นี่แหละการกระทําความกออําเริบแห่งจิตใจกันตลอดถึงร่างกายชีวิตจึงไม่ใช่เป็นของดีและการโฉกคันรักก็มันการเข็มเล่มหนึ่งเขาก็เสียดายเราสามารถยื่นให้ได้มากยิ่งกว่านั้นให้ด้วยความเต็มใจอย่าว่าเพียงเข็มเล่มหนึ่งเลยแต่เขามาขโมยของเราเราเสียใจขนาดไหนเสียใจมากทีเดียวนี่ถ้าเรา ให้ด้วยความยินดีนี้มากกว่า น, นั้นเราก็ภูมิใจสุดเลยซ้ําแทนที่จะเสียใจเพราะมีของมีราคามากยังกลับภูมิใจไปอีกเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่ใจไม่ใช่สําคัญอยู่ที่เข็มเล่มหนึ่งหรเงินบาทหนึ่งสิ่งของชิ้นหนึ่งนะมันสําคัญอยู่ที่ใจผู้เป็นเจ้าของพราะท่านท่านต้องให้รักษาความเสียความเป็นเสียดีภาพของเรากันอย่าให้มีการกระทบกระเทือนจิตใจกันจะเป็นการบอบช้ามากเสียหายมากนี่ข้อที่สองข้อที่สามการเม ลูกใครใครก็รักเมียใครใครก็รักสามสามีใครใครก็รักในครอบครัวนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะรักมากยิ่งกว่าระหว่างผู้ครองสามีกับภรรยานี้เป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายไม่มีรักอันใดในครอบครัวจะมากยิ่งกว่าสามีรักภรรยาภรรยารักสามีถ้าว่าไปทําความเดือดร้อนให้แก่กันเป็นทําความกระทบกระเทือนเช่นไป ปีนปีเอาไปเสียหาเศษหาเดนไปในที่ต่างๆอย่างนี้เอาอย่างนี้เป็นต้นนะจะเกิดความเสียใจมากน้อยเพียงไรถ้าเที่ยบูมาแล้วเหมือนกันกับมาพาหัว อ, อกพามักหัวใจออกทั้งๆที่ยังไม่ตายแล้วคนที่ถูกพาบกพาหัว อ, อกแล้วพามาหัวใจทั้งๆที่ไม่ตายนั้นนะ่ะจะมีความทนทุกข์ทรมานมากขนาดไหนลองคิดดูนี่แหละการล่วงล้ํา อธิปไตยของกันและกันคือการเมข้อที่สามนี้จึงเป็นสิ่งที่หนักมากเช่นนั้นแหละคนไม่ตายได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างมากมายนี้อันไหนจะไม่เป็นบาปอันไหนจะไม่มีความเดือดร้อนมากเราลองพิจารณาดิ์พระพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุเห็นผลอย่างนี้ให้มีความจงรักภักดีต่อกันให้มีความรักความสงวนกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันบางอย่างสามีเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานบางอย่างหน้าที่บางอย่างภรรยาเป็นใหญ่ ให้ยกให้เป็นใหญ่คนละด้านละทางเราอย่าไปครอบอํานาจไปที่หมดว่าเช่นอย่างเราเป็นผู้ชายอะไรอะไรว่าเราเป็นผู้ชายครอบไปหมดก็ไม่ดีผู้หญิงก็มีหัวใจผู้หญิงก็ก็เป็นใหญ่ในสามีสามีก็เป็นใหญ่ในภรรยาคือเป็นใหญ่เท่าๆกันและหน้าที่การงานอันใดที่เป็นเรื่องของภรรยาก็ให้ภรรยาทำไปตามหน้าที่ของตนส่วนไหนที่เป็นสามีเรื่องของสามีก็ ฝอยสามีทําไปตามหน้าที่ของตนแต่อย่าไปรอบๆพองมองอย่าไปสุ่มสี่ซุ่ม้าดังที่ว่ามาแล้วนั้นไม่เป็นของดีนั้นไม่ใช่หน้าที่ของภรรยาที่ดีไม่ใช่หน้าที่ของของสามีที่ดีที่จะไปทําเรื่องการเมสุนิชชาจานเป็นของที่ให้โทษมากที่สุดก่อความชิบหายปนเปื้ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาฆ่ากันได้ก็เพราะความรุนแรงของจิต เมื่อกำเริบมากๆแล้วมันมีทางระบายออกฆ่ากันเพื่อความระบายทุกความจริงมันก็เป็นการเพิ่มทุกข์แต่ถึงจะเพิ่มทุกข์ก็ตามมันเป็นไปได้เมื่อจิตใจมันมืดแปดทิศแปดด้านเพราะหาทางออกมาได้ต้องหาทางออกด้วยวิธีฆ่ากันอย่างนี้มันมีเพราะฉะนั้นเราที่มีเมียก็ดีมีผัวก็ดีเราม่ไดมุ่งจะทํากันด้วยแบบนี้เรามุ่งเอากันมาเพื่อความเป็นหลักเป็นแหล่ง ความฝากเป็นฝากตายสละจากพ่อจากแม่มาแล้วถือลูกถือเมียเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นมิตรเป็นสหายเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายเราอย่าลืมำคาอันนี้จะทำอะไรพึ่งคำหนึ่งถึงหัวอกของเจ้าของคือสามีนั่นเป็นเจ้าของภรรยาภรรยาก็เป็นเจ้าของสามีให้พึงคํานึงถึงเจ้าของของกันและกันแล้วทาอย่างไรไม่หลง นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีอภิชาตาิตาเป็นผู้มีความมักน้อยไปเถอะจะทํางานในบ้านนอกบ้านไปที่ไหนไปเถอะมีความสะดวกสบายทั้งนั้นต่างคนต่างไว้ใจกันสมบัติได้มามั่งน้อยบำรุงครอบครัวให้มีความสุขเพราะไปด้วยความสุจริตได้ทรัพย์สมบัติมาด้วยความสุจริตมาเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวครอบ ค, ครัวนั้นมีความร่มเย็นมั่นจกถึงจะขาดตกบกพร่องสิงใดบ้างก็ตามไม่สําคัญยิ่งกว่าความขาดตกบกพร่องในข้อที่ว่านี้ อันนี้เป็นสิ่งทำลายมากทีเดียวถ้าครอบครัวใดมีอันนี้เครือบแฝงอยู่แล้วครอบครัวนั้นจะมีเงินเป็นล้านๆก็าตามเถอะจะหาความสุขไม่ได้ครอบครัวใดเป็นผู้มีอภิจาตาคือศีลรำข้อมากน้อยรู้จักเมียของตนรู้จักผัวของตนรู้จักคนอื่นรู้จักของเขาของเราไม่กล้ามกายหรือไม่ปีนเกลียวแล้วผู้นั่นแหละจะมีความร่มเย็นเป็นสุดอดบ้างิ่งนั่งพอใจ คนเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ครอบในครอบครัวมีตรงนี้ที่เป็นหลักใหญ่ลูกเตา้าล้านเหลนเกิดขึ้นมาเป็นลูกของเราก็ไม่มีปมด้อยพอแม่ก็ไม่ทะเลาะกันถึงเรื่องแบบอันนี้น้ําล้นฝั่งนี้ถ้าขาดเขินบุกความอันหนึ่งทะเลาะกันอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นไรเป็นธรรมดาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องหนักมากใครๆก็ละอายกันไปหมดลูกเตา้ามองหน้ากันไม่ได้จะไปเที่ยวกับหมูกับเพื่อนไปแลงลงน้โรงเรียนก็ มองดูหน้าเพื่อนฝูงไม่ได้เมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเอาไว้วันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายได้อธิบายธรรมะเป็นข้อๆนี่เป็นข้อที่สข้อที่สีมุสาทําไมท่านจึงสอนไม่ให้โกหกกันเราพิจารณาดูที่โกหกมันดีเหรือมองเห็นหน้ากันก็โกหกแล้วเอาคําโกหกทักทายกัน คนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศขอบเขตของมนุษย์มีตั้งแต่ความโกหกออกต้อนับกันไปที่ไหนเกืินกาดอยู่ด้วยความโกหกพกลมหาความสัตย์ความจรงิงต่อกันไม่ได้มนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้อย่างไรอยู่ไม่ได้ไม่มีคำสัตย์ความจรงิงเป็นที่ยอมรับเป็นที่เชื่อถือกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เพื่อให้มนุษย์อยู่ด้วยกันได้เชื่อถือกันได้นับตั้งแต่เพื่อนฝูง สามีภรรยาลูกเต้าเราก็ลงออกไปยกระดัถึงสังคมทั่วประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความสัตย์ความจริงเป็นที่ยึดที่ทถือเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แล้วบ้านเมืองก็มีมีหลักมีเกณฑ์นีคือมีแต่นี่ในข้อมุสาอันนี้พูดถึงเพียงย่อๆให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเอาไว้ว่าอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงนี้มีมากน้อยเพียงไรและความโกหกพักมนั้นก่อความเสียหายให้แก่โลกได้มากมายเพียงไรนี่ เพราะพูดไม่จริงมีแต่โกหกเท่านั้นความโกหกเป็นของชาติประโยชน์ได้ที่ไหนมั่งเราไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนอกจากคนชั่วมันก็เอาความโกหกเข้าเป็นเครื่องเสริมกับความชั่วของคนนั้นเช่นไปรักเขาแล้วก็โกหกเขาว่าไม่ได้ลักก็เอาความชั่วไปเพิ่มสาหรับคนชั่วมันชอบอย่างนั้นแต่คนดีแล้วไม่สมควรอย่างยิ่งดิงจะไปทาอย่างนั้นนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราทันวะสุราคืออะไรฮะทันวสุราเมรยาแมชชามา สุราก็คือเครื่องดองของเมาเราเกิดมาจากท้องแม่พ่อแม่ไม่เคยเอาน้ำเมาคือสุราเมลัยมาให้เราดื่ ม, มให้เรากินมาเลี้ยงดูเราของมีแต่ของดีดีดีๆข้าวตม้มขนมอาหารหวานคาวมีแต่ของดีดีและดูดเลือดดูดเนื้อแม่ด้วยเป็นของดียิ่งกว่าสุราคือดูดนมว่าอย่างไรละ่ะจนเติบโตขึ้นมาโดดดู ด, ดเราเติบโตขึ้นมาด้วยน้ำนมของแม่ด้วยข้าวตม้มขนมเป็น ของที่มีราคามากมายจากพ่อจากแม่ของเรามาเลี้ยงเราจนเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาคับเมื่อเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วเอาน้ำเอาน้ำสุรายาเมาเข้ามาเบื่อตัวเองเบื่อตัวเองให้มันเมาเกลื่อนกาดไปที่ไหนมีแต่คนเมาสุราเราดองดูที่สมมุติว่าเรานั่งนั่งอยู่ด้วยกันนี่มีกี่คนด้วยกันนี่มีแต่คนเมาสุรานับตั้งแต่หลวงตาบัวลงไป เ, เมาด้วยกันหมดเกลื่อนอยู่ถนนน้องทางไปที่ไหนมีแต่คนเมาขี้แตกเยี่ยวราดอยู่ตามถนนทางดูได้ไหมพิจากันสิ ถ้ามาสุรามันดีพิจารณาสิเราไปไหนมีแต่คนมาสุราเต็มถนนน้ทางแล้วเราดูได้ไหมเอาไปเมืองอุดรในทั้ทงเมืองมีแต่คนมาสุราเราดูได้ไหม <c oughs> ดูไม่ได้เลยมีแต่คนบ้าที่ว่าไงเราดูได้ไงดูคนบ้าแล้วจะมีคนดีที่ไหนมาดูคนบ้าเพราะมันเป็นบ้าด้วยกันเลยนี่มนุษย์เรามันก็หมดราคามีแต่คนบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นเหรือสุรามันดีแล้วอย่างนั้นเหรือพิจารณาสินี่หละพระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามห้ามไว้อย่างนี้ไม่อยากให้คนเป็นบ้า นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเสียจิตดิจิตใจข้อที่สมเสียหน้าที่การงานข้อที่สี่บัณฑตัดทอนกาลังปัญญาคนที่เมาสุลานี่เป็นสาเหตุให้ทําได้ทุกอย่างหิริอุตปะความละอายต่อบาปต่อกรรมที่สูงที่ต่ําไม่มีไปที่ไหนว่าได้หมดพูดวันยั่งค่้ำอ่ไม่มีจบก็คือคนเมาสุลา ไปเดี๋ยวลาละครับลาละครับเดี๋ยวคุยอีกลืมเดี๋ยวไปออลนละครับได้เวลาลาละละครับเดี๋ยวคุยวันย่างคําลาละครับวันย่างคําก็คือคนเมาสุราคือไม่มีสถานีไม่มีจุดไม่มีหมายไม่ทราบว่าดีหรือแย่ไม่ทราบเวลาเวป็นยังไงนี่ก็คือความเมาสุราหาสติสตังค์ม่ได้คนที่โง่ที่สุดก็คือคนเมาสุราแต่คนที่อวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมาสุลานั่นเองคือคนเมาคนบ้านั่นแหละเราพิจารณานี่เขาเรียกน้ําบ้า ถ้าให้พาคกันเข้าใจไม่ใช่เป็นของดีที่เราเป็นคนดีๆจะเอาของชั่วยอย่างนั้นมาเสกสรรปั้นยอให้เป็นคนดีขึ้นมาด้วยน้ําเมาดโดยสุลานี่หาไม่ได้เลยในโลกนี้นี่ให้ภากันเข้าใจอย่างนี้นี่อธิบายเพียงสุราให้ท่านทั้งหลายฟังคือตั้งแต่ปานามาถึงสุรานี่เรียกว่าศีลธรรมเป็นเครื่องประจํามนุษย์ดาวผู้มีคุณสมบัติรูปผู้มีภูมิอันสูงกว่ามนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์ฉลาด ก็คือฉลาดด้วยศีลด้วยธรรมไม่ใช่ฉลาดเที่ยวจองกรรมจองเวียนฉลาดเที่ยวละรานคนอื่นให้รับความเดืดอดร้อวนวานนั้นเขาเรียกพาละชนไม่ได้เรียกว่าเป็นคนฉลาดวันนี้อธิบายถึงศีลห้าให้ท่านทั้งหลายฟังแล้ววันนี้มาแสดงในอรอพันสามซึ่งเป็นค่ายของทหารเราอยู่ทหารนี่หมาย ความอันกว้างขวางมากหลักของประเทศชาติบ้านเมืองที่จะตั้งอยู่ได้เพราะทหารทหารเป็นคนของชาติชาติไว้ใจให้ทหารเป็นผู้รักษาทุกทิ่งทุกอย่างบำรุงบำเรอทหารด้วยความพออกพอใจฝากเป็นฝากตายไว้กับทหารของเราเพราะฉะนั้นเราเป็นคนของชาติเราเป็นทหารของชาติเป็นผู้รักษาสมบัติของชาติจงคํหนึงถึงศักดิ์ศรีของตนด้วยดี จะทำอะไรพึงคำหนึง่งถึงความเป็นศักดิ์ศรีของชาติเสม อ, อมชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีทหารเป็นเครื่องรักษาแล้วก็อยู่ไม่ได้หากทหารเป็นผู้เหลวแหลกแบกแนวไปเสียชาติบ้านเมืองก็ล่มจ ม, มไม่มีอะไรที่จะล่มจมยิ่งกว่าบ้านเมืองที่ไส้ของตัวเป็นหนอนนี่เป็นหลักสำคัญให้ต่างคนต่างมีความสุจริตต่อหน้าที่หน้าที่ของทหารทาอย่างไรมีกฎมีเกณฑ์มีมีวินยัย ให้พึงประพฤติปฏิบัติไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยการปกครองกันให้คำหนึงถึงหลักและกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับนํามาปกครองกันอย่าเอาอารมณ์มาปกครองกันอย่าอวดอํานาจวัฒนาว่าเราเราเป็นผู้ใหญ่ไปปกครองผู้น้อยโดยหาหลักเกณฑ์หาระเบียบกฎข้อบังคับไม่ได้อั น, นั้นเป็นความผิดปกครองกันด้วยฐานะพ่อแม่กับลูกโดยมีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีข้อบังคับเป็นเครื่องปกครองต่างคนต่างก็มี ให้อภัยซึ่งกันและกันนายทหารก็เท่ากับพ่อแม่ของทหารทหารก็เท่ากับลูกต่างคนต่างบุครองในฐานะพ่อแม่กับลูกแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ของเราจะทําเราพึงทำตามหน้าที่อย่าหลบหลี ก, ล ก, ลกอย่ามีซ่อนซ่อนลับรับอย่ามีที่แจ้งที่ลับให้ทำตามหน้าที่นั่นเรียกว่าถูกต้องของสมบัติอันใดที่เป็นสมบัติของชาติ เช่นเราปกครองเรารักษาอยู่ในขอบเขตของเราเช่นรอพันนี้มีอะไรบ้างที่เราใช้อยู่เป็นเครื่องมือของการรบหรือเป็นเครื่องมือของการรักษาประเทศชาติบ้านเมืองของเราเช่นเครื่องปืนผานหน้าไม้กระสุนเน อ, อะไรก็แล้วแต่ทับสมพันธรัที่มีอยู่ในนี้เป็นสมบัติของกลางเราอย่านาออกไปเที่ยวซ่อนเที่ยวลับ เที่ยวซื้อเที่ยวขายโดยเป็นการขายชาติเป็นการฆ่าชาติเป็นการทําลายชาติเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวไปไหนไม่รอดท่าชาติไปไม่ตลอดเราต้องจมไปด้วยชาติ <c oughs> เราจะเห็นแก่ตัวว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีเอาตัวรอดต้นแรงเป็นยอดที่เล็วที่สุดรอดยอดที่จมที่สุดเพราะคนคนหนึ่งอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่ด้วยกันหลายคนเช <c oughs> ่นประเทศไทยลรนี้ทั้งประเทศเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันอยู่เหมือนกับ ตาแหตาข่ายตาหนึ่งขาดก็เกี่ยวเนื่องไปถึงตาทั้งหลายตามันก็ทะลุออกไปที่นั่นมันลอดออกไปที่ท่านได้เนี่ยถ้ามันดีจะตุกตาตาแหยตาข่ายแล้วเราไปทอดตามันคอติดต่างคนต่างมีความจงรักภักดีต่อชาติต่างคนต่างมีความสามัคคีต่อชาติต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติต่อหน้าที่การงานของตนแล้วชื่อว่าต่างคนต่างรักษาตาแหเอาไว้ อันใดนที่เป็นสมบัติของกลางยานําออกไปเช่นนําไปขายกระสุนดินดําหรือปืนหรือเครื่องทัพทัพระสัมภาระที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างนั้นให้รักษาเป็นส่วนกลางไว้อย่างเข้มงวดกวดขันเหมือนกับรักษาชีวิตคือรักษาชาติของตนไว้อย่างนั้นให้ถือเป็นความเข้มงวดกวดขันอย่างนี้นั่นแลชื่อว่าเป็นผู้รักษาชาติเป็นผู้รักษาศาสนาเป็นผู้รักษาส่วนรวมไว้ คำว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าชาติได้ล่มจมไปเสียเราจะเอาตัวรอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าชาติจมเราต้องจมชาติอยู่ได้เราก็อยู่ได้เมื่อเป็ น, นั้นเราต้องรักษาเพื่อความอยู่รอดทั้งชาติไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดเพราะเรานั่นเป็นความคิดผิดของบุคคลคนนั้นซึ่งจะพ้นความล่มจมไปไม่ได้เมื่อชาติล่มจมแล้วเราจะเจริญคนเดียวเป็นไปไม่ได้เลยท่านจึงสอนว่าสามัคคีความสามัคคีมันเกี่ยวโยงกันไปหมด ไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าคนไทยรักคนไทยไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าคนในชาติจะรับผิดชอบพวกเราเองแล้วมี ม, มีมีใครจะรับผิดชอบยิ่งกว่าหน้าที่ของเราที่จะรับผิดชอบในขอบเขตของเราจงพากันตั้งหน้าต่างๆ ม, มีความรับผิดชอบให้และก็ให้มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจเสมอกลางค่ำกลางคืนเวลาจะหลับจะนอนก็ควรเจริญภาวนาบ้างกราบพระ พิธสปปวดะคาหรืออรหังธ ร, รมธรมะัมุทโธสามจบแล้วนอนภาวนาพุโทธโธพุทโธให้หลับกับพุโทโธบ้างจะดีกว่าหลับกับคว า, ามเพลิดความเพลินความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมซึ่งเป็นสิ่งก่อควรมกิตใจให้เกิดความเดืดรอนโดยหา ท, ที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ศีลธรรมเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดสาศาสนธรรมเป็นเครื่องขิดจิตใจของประชาชนให้มีพลังภายในดังที่เขากล่าวว่า ถ้าสงเป็นที่ทอนกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองดังนี้เราเคยได้ยินเสมอถ้าสงถอนตัดทอนกำลังงานของประเทศชาติบ้านเมืองนี่คือฝ่ายโกงข้ามหาวิธีโจมตีความจริงนั้นถ้าสงก็ดีาศาสนาธรรมก็ดีที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทอบนั่นคือโรงงานผิดจิตใจของประชาชนทั้งชาติ ให้มีกําลังวังชาต่อหน้าที่การงานอันดีอัน ง, งามเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปดุนยับไม่มีสิ่งใดที่จะมีความราบรื่นและถูกต้องใน ง, งามยิ่งกว่ า, าศาสนาธ ร, รรมซึ่งเป็นแบบฉบับที่ดีนี่เลยเหตุใดผู้ปฏิบัติศีลธรรมจึงจะเป็นการถ่วงความเจริญของชาติมีที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไว้เลยว่าผู้ถือาศาสนาเป็นการกดถ่วงความเจริญของชาติ อุทาหรสัมปทานี่ท่านสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบอย่าไปขี้เกียจขี้คร้านนั่นฟังสินี่หรือศาสนาตัดทอนกำลังของชาติตัดทอนอย่างนี้หรือสอนให้คนขยันนั่นหรือเป็นการตัดทอนอุทาหรสัมปทาอารักขาสัมปทาเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วอันใดที่ควรจะจใช้สอยมากน้อยอย่างไรให้มีเหตุผลเป็นเครื่องกับจ่ายใช้สอยและเก็บไว้อยากเก็บไว้โดยความตัดีทีเดียวโดย หาเหตุหผลไม่ได้เลยตายแล้วจะมาเป็นเป็ดเป็นผีอยู่นั่นเพราะทราบสมบัติลนั้นไม่เกิดประโยชน์โดยที่เจ้าของหาเหตุผลในการเก็บรักษาไม่ได้กลายเป็นความตัหนีไปหมดนัะ <c oughs> เพราะสมบัติเป็นสิ่งที่ให้ให้ประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของ <c oughs> นราจะจ่ใช้สอยมากน้อยเพียงใดให้มีเหตุผลเป็นเครื่องจ่ายใช้สอยคนที่มีขอบเขตมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรักษาสมบัตินั้นสมบัติจะมี เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้รักษาไม่น้อยเก็บไว้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ที่ก็เป็นประโยชน์เวลาจ่ายไปก็เป็นประโยชน์นี่อุทธานสัมปทาข้อที่1ข้อที่สองคืออารักษสมัติธาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เหลือเป็นการตัดทอนศาสนาตัดทอนประชาชนให้มีการลดกํดาลังลงไปเราพิจารณาดูสินี่แหละศาสนาธรรมที่ยกมายยอะสมัชชีวิตายาฟุ้งเฟ้อยาฟุ้งเฟือยใ น, ใน การกินการอยู่การหลับการ น, นอนให้ใช้พอเหมาะพอดีอย่าให้เกินเหตุเกินผลเกินฐานะของตนนั่นฟังสิพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่าฟุ้งเฟอ้อเหวมให้พอเหมาะพอสมกับฐานะกับครอบครัวของตนครอบครัวมีมากจ่ายมากเท่าที่พอจะเหมาะสมกับครอบครัวมีน้อยอย่าจ่ายมากมีมากอย่าจ่ายน้อยเกินไปมันไม่พอกินนั่นฟังสิให้จ่ายพอเหมาะพอสมที่เรียกว่ามัชชิมาคือความพอดีเสมอ คำว่ามัตชิมาคือความพอดีอาหารถ้าเค็มมากเกินไปก็ไม่ใช่มัตชิมาจืดเกินไปไม่ใช่มัตชิมาเค็มเกินไปเผ็ดเกินไปหวานเกินไปเปรี้ยวเกินไปไม่ใช่มัตชิมาคือความพอดีของทำทำา้นหอมพอเหมาะหวานก็พอดีเค็มก็พอดีเปรี้ยวก็พอดีท่านเรียกว่าพอดีคนที่สูงเกินไปไม่เรียกคนพอดีขาวเกินไปไม่เรียกคนพอดีดําเกินไปจนเหมือนกับ่านไฟก็ไม่เรียกพอดีนั่นฟังดิ คนที่พอเหมาะพอสมคือไม่ขาวเกินไปไม่ดําเกินไปไม่สูงเกินไปไม่ดำก็ไม่ดไม่ดําเกินไปไม่เล็กจนเกินไปทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยไม่โตเกินไปเหมือนช้างดูได้ไหมคนทั้งคนเหมือนช้างมันดูได้เหรือนั่นลนะ่ะขัดกับห ล, ลักมัชชีมาแล้วเป็นอย่างนั้นคือให้พอเหมาะพอสมทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อกางเกงของเราที่ตัดมาสวมใส่เรานี่ให้พอเหมาะพอดีนั่นเรียกว่ามัชชีมาคําสอนพุทเจ้าถูกต้องไปหมด แล้วมีการตัดทอนโลกให้ขาดกําลังบังชาติทวงความเจริญของโลกที่ตรงไหนถ้าพูดถึงตามหลักธรรมนี้แล้วไม่มีที่จะเป็นการกดทวงความเจริญของโลกนอกจากโลกกดทวงทำโลกล้างทำให้ชีพหายแล้วเหลือเหลือยังเหลือ <ๆ S 1> ตั้งแต่หางไม่มีเท่านั้นจะว่าไงเมื่อเล้วแหลกจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะไปแย่งเอาหางสุ น, นัขามาเดี๋ยวมันจะกัดเอาให้ระวังให้ดีนะเออมันเลยเถิดนี่คพาะว่าเราว่ามั น, มนเจริญเจริญ ฟุ่มเพือเหิมกับโลกคำสารเก่าโดยไม่คำหนึงถึงเหตุถึงผลความพอดีพองามไม่คำหนึ่งถึงเหนียุถึงผลของอัดของทำแล้วกลายเป็นลงไปอย่างนั้น ท, ท, ทั้งๆที่มันมีหางแล้วก็ปลอมที่นี่นะถ้าจะเป็นเหมือนแบบไอตีนจุ่มหางอ่องอนั้นก็เป็นไม่ได้เพราะหางไม่มีเอาจะเป็นควา้าหางมันเยอะมันกัดเอานั่นนี่แหละมันพรอมมนุษย์เรามันพรอมอย่างนี้ถ้าจะเป็นมนุษย์จริงๆให้สมกับภูมิมนุษย์มันก็มีศีลธรรมไม่มีอาายัายอาศัยอันดีงามที่พอจะพื้นตัวให้เหมาะสมกับภูมิเป็นมนุษย์ ถ้าจะให้เป็นเหมือนสัตว์ก็ไม่มีหางมันเล็วกว่าสัตว์อีกเน่จะว่างไงนี่แหะถ้าปีนเปลียวของาศาสนาธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการพูดปฏิบัต se, ิธรรมจึงเหมาะสมกับภูมนุษย์เร า, าศาสนาธรรมท่านสอนให้กับมนุษย์แล้วข้อที่สี่การยาณมิตรตาการคบค้าสมาคมกับหญิงกับชา ย, ยกับใครๆก็ตามให้เลือกแฟน้นด้วยดีนะ่ะอย่าคบค้าสมาคมด้วยแบบจุ่มสี่จุ่มห้าเวลาลวมตัวเข้าไปแล้วมันลําบากแก้ยาก ดีมด่ดีจมไปตามเขาถล่มไปตามเขาก็มีในท่านสอนให้พินิชพิจารณานิสัมมะกระนังเสยโยจะทำอะไรให้ใข้ควรซะก่อนมาสิ่งนี้ถูกหรือผิดอย่าทำตามอารมณ์ที่อยากคําว่าอารมณ์อยากไม่มีประมาณความอยากยากทุกสิ่งทุกอย่างกินข้าวอิ่มแล้วมันก็อยากมันก็หิวหิวอยู่ตลอดเวลานั่นคือความหาประมาณไม่น่าท่านเรียกว่าฝ่ายตำ่ำจึงต้องเอาอัดเอาทำเข้าไปแยกไปแย่ไปพิจารณาอยากอะไรสมควรพอดีพองามแล้วเนี่ย อยากกินก็ให้กินแล้วจะกินอะไรอี ก, อกจะกินแม่ ก, กินหมอกที่ไหนบ้านเมือง ป, ประเทศชาติหรือมนุษย์เราไม่ได้กินแม่กินหมอกกัน เ, เขากินอะไรกันเราก็ให้กินแล้วพอดีพอ ง, งามแล้วจะอยากอะไรอีกนั่นสอนจะขอต้องสอนไปอย่างนั้นมนุษย์เราต้องสอนเราต้องบังคับเรามีขอบเขตมีเครื่องบังคับถ้าโดยลําพังอัตโนมัติคือความอยากความหิวโหยตามอารมณ์นี้แล้วไม่มีประมาณเลยมนุษย์จะเลวที่สุดถ้าขาดศีลขาด ธ, ธรรมขาดศาสนาธรรมเป็นเครื่องปกครองแล้ว าศาสนาธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะร้อยรัดมนุษย์ให้มีความร่มเงย็นเป็นสุขให้ประพฤติตัวดูถูกต้องดีงามหรือาศาสนาธรรมเป็นเครื่องขิดจิตใจมนุษย์ให้มีจิตใจเป็นไปในทางความคิดดีงามต่างๆอันจะเป็นความเจริญแก่ตนและครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองถ้าผู้ใดก็ตามถ้านำศาสนาธรรมนี้ไปปฏิบัติจะเป็นความเหมาะสมดีงามกระดุกการทางนั้น การขาดความเหมาะสมดีงามและโลกมีแต่วความรือดร้อนขึน้นทุกวันทุกวันเพราะความขาดศีลทำบิดเดือนนับมีแต่โลกเหยียบย่ำศีลธรรมกดทวงศีลธรรมเราอย่าว่าศีลธรรมไปกดทวงโลกโดยศีลธรรมไม่เคยทําโลกให้มีความเสื่อมอะไรที่ไหนไม่มีนอกจากโลกเหยียบย่าทําลายศีลธรรมให้ล่มจมไปแล้วยังเหลือแต่ตัวมนุษย์ล้นล้วนนั่นแหละจะก่อความพินาศทิ้หมหายหกันอย่างแล้วเละยังยังแล้วแหละเลวแหลกทีเดียวให้พึงเขียนโทษ ในความขาดศีลขาดธรรมและเห็นคุณค่าของความมีศีลธรรมมนุษย์เรามีคุณค่าเพราะศีลเพราะธรรมเพราะความประพฤติไม่ได้มีคุณค่าทางเนื้อทางหนังเหมือนอย่างสัตว์สัตว์ทั้งหลายเขาตายแล้วขนเข้าตลาดเป็นเงินเป็นทองออกมาเช่นปูเช่นกลาเป็นต้นส่วนเนื้อมนุษย์เราตายแล้วขนเข้าตลาดดูสิตลาดแตกคืม ห, หมดเลยเขาครัวผี น, น่าพี่นาดูสิ แล้วคุณค่ามนุษย์มันอยู่ที่เนื้อหนังที่ไหนมันอยู่กับความประพฤติปฏิบัติอยู่กับ อ, าาอัจฉริยะใใจคอที่มีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับศีลธรรมเป็นเครื่องประดับใจผู้มีศีลธรรมเป็นผู้มีคุณค่าอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะเย็นไปหมดตายแล้วกลิ่นก็หอมทวนลมไม่ได้หอมไปตามลมแล้วหอมตลกอกวนไปทุกทิศทุกทางไม่ได้เลือกว่าทิศเหนือทิศใต้คือความมีศีลธรรมนี่แหละมนุษย์เรามีศีลธรรม เป็นเครื่องประดับมีคุณค่าเพราะศีลธรรมในครอบครัวหนึ่งงถ้าขาดศีลธรรมนี้แล้วจะมีความเดือดร้อนโดยลำ ด, ำดำับๆขาดมากเดือดร้อนมากขาดมากจริงๆคลิปหายไปหมดเลยนี่นี่หละการแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังมา น, นี้ก็เห็นว่าจะสมควรเจเวลาอาจทำข้อใดที่โดยแสดงไม่แล้วกรุณานานไปพินิจพิจารณานแล้วประพฤติปฏิบัติกาจัดสิ่งที่เคยเป็นภัยแก่ตนและครอบครัว ให้ห่างเหินออกไปให้มีแต่ความสุขกายสบายใจประพฤติตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติต่อการณ์กันเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีภรรยาให้มีคุณค่าเสมอกันอย่าไปกดคนหนึ่งให้ลดคุณค่าลงแล้วยกคุณค่าของตนขึ้นด้วยด้วยอารมณ์ของตนใช่ไม่ได้ให้มีคุณค่าโดยทางศีลธรรมเหมือนกันแล้วครอบครัวนั้นจะมีความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังเอาละ